ก็ในสูตรเขาบอกว่าเบื่อเลือเกินที่ต้องเกิดในสวรรค์อีกแล้วแต่เชื่อไหมพระพิสุทธ์สมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ น, นะท่านรังเกียจกามมคุณแม้ในสวรรค์จะกล่าวไปใายไถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าแต่ก็มีอยู่สูตรหนึ่งเหมือนกันบอกว่าแม้แต่กรรมคุณที่ในสวรรค์ยัยงน่ารังเกียจนะแต่อย่าลืมรังเกียจทุจริญสามด้วยนะว่าไง คงพอแยกออกแล้วใช่มั้ยนี่มาดูสัมมาอะไรกัมมันตะในข้อ269 กล่าวว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉากัมกมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตรู้จักสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฐิอันนี้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวนี้คืออะไรวิปัสสนาสัมมาทิฐิที่ไปแยกไปวิเคราะห์มิจฉากัมมันตะ ไปวิเคราะห์สัมมากามมันตะเนี่ยนะวิเคราะห์จนรู้ว่ามิชากามมันตะมันน่าละสัมมากามมันตะน่าเจริญเนี่ยนะมิชากามมันตะเป็นฉะไหนก็คือปานาติบาตอธินนาทานและกาเมสุมิชาจารถ้าถ้าใครสังเกตแยกแยะสักนิดหนึ่งนะถ้าโกรธโกรธบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยถามว่ามันลามไปจนถึงปานาติบาตได้ไหมได้ได ถ้าเห็นของของคนอื่นที่น่าปรารถนาเนี่ยลามจนถึงอธินนาทานได้ไหมได้ไดเห็นบุคคลอื่นอันนะเทศตรงกันข้ามเนี่ยลามไปจนถึงมิกาเมได้ไหมก็ได้หมดอยู่แล้วมันก็ต้องแยกแยะว่าไ อ, อตัวสมุทฐานของปานติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจฉาจารก็คือโลภะโทสะและโมหะเนี่ยจะต้องเห็นโทษตัวนี้มากๆเพราะเป็นตัวเนียตัวลุกลาม ที่ทำให้เกิดการทำการทำปานาติบาตเป็นต้นนะก็มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวิปัสนาสัมมาทิฐิระดมมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างมากดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนระดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวสัมมากัมมันตะไว้สองอย่างคือสัมมากัมมันตะทั้งที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้พ้นแกข่ขันอย่างนึง สัมมากัมมันตะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูความพิสูจทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเนี่ยเป็นไนดูความพิสูจทั้งหลายเจตนางดเว้นจากปานาติบาเจตนางดเว้นจากอธินาทานเจตนางดเว้นจากการเมสุมิชฌาจานี้เป็นสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็ขณะที่เราตั้งใจสมาทานศีลใช่ไหม ขณะที่เวรตีไม่ยอมล่วงละเมิดที่จะยอมทุ่มสีอันนั้นก็เป็นเป็นบุญเนี่ยนะสีเลยนะสุขติยันติเนี่ยนะผลของการให้สีนเนี่ยคุณวิลาวันรักษาสีลดีๆก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ะนะโอ้ชั้นดีแล้วนะศีให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมูสัตจากมนุษย์สู่มนุษย์คืนนี่ยากมากๆเลยเนี่ยนะแล้วก็ จากมนุษย์สู่เทวดาก็ได้เนี่ยนะศีลเนี่ยศีลเลนะสุขติญันติใช่ไหมศีลเนี่ยทำให้เกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นเทวดาถ้าเราเห็นอะไรนะยังนึกถึงศีลไม่ได้นะให้ให้เอกใจตัวเองไว้เลยว่าประตูบายชั้นยังไม่ได้ปิดนะเ mm. นี่ยนะรับอารมณ์อะไรก็ได้หนึ่งอย่างขึ้นมาเนี่ย น, ะนึกถึงศีลไม่ได้นึกหาศีลไม่เจอเลยนะให้รู้แต่ว่าประตูบายเราเนี่ยแง้มไม่ตลอดเลยนะ ประตูอาบายมันเป็นไม่เหมือนอย่างอื่นเลยมันเป็นประตูบานเดียวอะ่ะแต่ถ้าเปิดอีกอย่างมันจะปิดอีกอย่างทันทีนะถ้าเปิดอบายแสดงว่าปิดสวรรค์ <c oughs> ถ้าเปิดประตูอาบายก็ปิดประตูสุขติถ้าเปิดประตูสุขติเท่ากับเปิดประตูเออปิดประตูอาบายแล้วก็ลองคิดดูนะลองดูว่ามันจะแนวโน้มมันจะแง้มไปทางไหนมากกว่ากันอันนี้ต้องมามาเจริญจริงๆในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยถ้าใครเห็นโทษของอาบายเนี่ยนะไม่ใช่สมาทานทิ้งทิ้งว่างๆเอาไว้เนี่ยนะ ถ้าสมาธานศีลแบบจริงๆค้งงางๆก็เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่นะค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกก็ไม่รู้นนนเนั่ยนะ ส่วนสัมมาการมมตะที่เป็นอริยเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรก็คือความงดความเว้นเจตนาเว้นจากกายยัุจิตสามของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมี จ, จิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี่แหละคือสัมมากรรมตะที่เป็นอริยเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรกก็คือโลกุตระจิตเนี่ยนะต้องมีสัมมาการรมตะทุกดวง ต้องมีอันนี้แน่นอนกติกาแน่นอนว่าขณะที่โลกุตระมักหรือโลโลกุตระผลเกิดขึ้นต้องมีสัมมากรมมันตะแน่นอนเนี่ยนะอันนั้นเป็นระดับสูงเป็นตัวที่นําออกจากวัตตะภิกษุนั้นพยายามเพื่อละมิจฉากรมมันตะเพื่อบรรลุสัมมากรมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะโแสดงว่าต้องเพียรเหมือนกันนะ ที่สุนั้นมีสติลามิจฉากรมมันตะได้มีสติบรร ล, ลุสัมมากมันตะได้อยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติอั้นคนที่มีความเพียรมีสติจริงก็คือเพียรเพื่อละมิจฉากรมมันตะเพียรเพื่อเจริญสัมมากมันตะเมื่อกี้นี้กล่าวว่าเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ยอมไปล่วงอะไรเลยเนี่ยแค่ก็ปล่อยให้ความชอบมันเกิดไปให้ความชังมันเกิดไปเนี่ย ชื่อว่าสมาทานสา ม, มากมันต่มั้ยไม่ใ ช, ใช่ก็ดังกล่าวว่าถ้าเราไม่ชอบชีวิตใครเนี่ยนะโทสะกับผู้ใดเนี่ยในที่สุดลามไปจนถึงปานาติบาจนได้นะในระยะยาวนะถ้าได้เหตุอันสมควร <c oughs> ถ้าได้เห็นเหตุอันสมควรที่จะต้องทำปานาติบาเนี่ยอย่างเริ่มไม่ชอบหน้าใครเอาไว้นะเริ่มไม่ชอบหน้าไม่ชอบมากๆเข้ามาก ๆ, ๆเข้านะอะไรต่อมา โทสะจะเริ่มมีกําลังขึ้นพยาปาธามันจะเริ่มแรงขึ้นนะพยาบาทบางทีครบองค์เลยพยาบาทครบองค์ก็คือนึกแช่งในใจอ่ะนั่นแหละครบองค์เลยนะตรงนั้นก็ประตูอาบายก็ขุมใหญ่เลยแหละแล้วก็ในที่สุดก็ทําปานาติบาตผิดกฎหมายเป็นต้นเนี่ยนะก็ทำได้หมดนะถ้าหากว่าเห็นข้าวของของคนอื่นนะเห็นดินสอพุกาดูสวยงามสวยงามเนี่ยนะ คิดไว้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้ให้ได้อย่างเงี้ยถเนี่ยในที่สุดเนี่ยลามไปอภิชาก็ได้อธินนาทานก็ได้อย่างว่าเห็นคู่คนอื่นเป็นต้นนี้ก็พร้อมที่จะกามีก็ได้หมดแะมันก็ลามไปอย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นก็ต้องสมาทานว่าวัตถุเหล่านั้นเป็นวัตถุแห่งศีลของเราเนี่ยนะศีลของเราดํารงอยู่ที่วัตถุเหล่านั้นเราจะต้องไม่ละเมิดศีลเราต้องไม่ล่วงศีลเนี่ยสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้ให้ดีให้แม่นเอาไวด้ดีๆเนี่ยนะ ก็ศีลของเราก็จะมั่นคงถ้าไม่หมั่นสมาทานอธิษฐานกุศลธรรมตัวนี้นะก็ที่ไม่ทุศีลเนี่ยเพราะไม่ได้ปัจจัยอ น, นะไม่ได้เหตุอันสมควรเขาบอกงั้นถ้าได้เหตุอันสมควรจากเรือหรืออ น, นะจากจากยู่หรือเนี่ยเนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นสมาทานหมั่นเนาะหมั่นป ร, ราลบันนี้เป็นทรัพย์ของเรานะนี่เป็นศีลของเรานะสิ่งเหล่านั้นเป็นประตูทุกขติของเรานะจะต้องหมั่นสังวรหมั่นละเลิกหมั่นอธิษฐานหมั่นนึกถึงศีลตัวนี้ให้บ่อยๆมากๆนะต้องขยันนึกหน่อยน ะ, ะเมื่อนึกถึงก็เชื่อว่าเป็นศีขาใช่ไหมเมื่อนึกถึงก็เป็นศีลและศีขาเมื่อรู้เมือ่อเห็นเมือ่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานให้กุศลศีลเหล่านี้ดํารงมั่นอย่าง มั่นคงเนี่ยนะท่านอาจารย์อยากเรียนถามตรงนี้นานมาแล้วแต่ว่านึไมเริ่มต้นที่แบบเห็นประเพณีิลขาอะไรนี่ยทมเงินึกถึงมาแล้นึกถึงทุกสิ่งอย่างนะะแต่ว่าเริ่มต้นคว่าอาวัชนาแปลว่าไรนะตรหัวอาวชนะแปลว่านึกอ๋อก็ต้องเริ่มนึกก่อนนึกถึงที่สิ่งที่พูดไปเนี่ยนะฮะเรียนไปเร่ยค่ะเรื่องที่ต่ไปเรื่งสี่ นึกถึงศียนี่เราพูดเรื่องเสียนอยู่นั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมากัมมันตะของที่สูตนั้นนะถ้าตัวสัมมากัมมันตะเมื่อเกิดขึ้นต้องมีบริวารสามใช่ไหคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติห้อมล้อมถ้าเป็นโลกิยาล่ะพวกสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเหมือนทหารทหารที่ดูแลกองหน้ากองหลังเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าเป็นโลกุตระล่ะพวกสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าหนะ้าที่ผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดนั่นแหละในรถคันเดียวกันส่วนองค์มรรคข้อต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์มรรคเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็มิชาอาชีวะเป็นไนดูก่อนพิสูนทั้งหลายการโกงการหลอก ล, ล่อลวงล่ อ, อนะถ้าดูสังขับนะล่อแล้วก็ลวงผู้เด็กอาจารย์บางท่านแปลว่ายกยอเนี่ยนะคือถ้ายออะไรสักอย่างเนี่ยนะหมายความว่ายอทำอะไรยกยอกับล่อล่อเสร็จเพื่อจะลวงไงล่อเพื่อจะลวงอะนะ ก็ลักษณะเนี่ยคิดว่ายกย อ, อล่อลวงนี่คือสิ่งเดียวกันนะนะอย่างนั้นอย่างว่าเคยได้ยินไหมบอกว่าถูกชมบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่อรวังนะ <c oughs> แม่อย่างนั้นแม่อย่างงี้เดี๋ยวก็หมดตังแลนะ่ะ <c oughs> ก็คืออันนี้พูดถึงว่าอผู้ที่ถูกล่อลวงทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับคําอะไรถ้าเราจะลวงนี่เขาจะมาด่าเราชดชดชดแล้วเขาจะลวงเราอย่างงี้ไหมไม่โหแ ย, ยบยนต์มากเลยนะ ก็มีวิธีล่อมีวิธีลวงอะนะกับตลบตะแลงตลบตะแลงนี่หมายถึงว่าเป็นคําพูดลักษณะเป็นคนมีชั้นเชิงเพื่อจะเอาของของคนอื่นเนี่ยนะเทคนิคกลไกเต็มไปหมดเลยเรียกว่าตลบตะแลงกับทำอุบายโกงแล้วก็การเอาลาบต่อลาบถ้าเป็นพระพิสุเนี่ยนะพูดถึงเอาลาบต่อลาบก็หมายความว่า เ, ออเราได้นี่มาเรายื่นให้เขาก่อนเดี๋ยววันหลังเขามีเขาจะให้เราบ้างลักษณะเนี้ยเอาลาบต่อลาบ อันนี้ได้อาหารมานะอไปให้คนโน้นหน่อยเดี๋ยววันหลังเขาจะเอามาถวายเราลักษณะนี้เรียกเอาลาบต่อลาบตัวนี้เป็นมิจฉาชีวะเนี่ยนะการโกงการล่อลวงการตลบตะเลงอุบายโกงเอาลาบต่อลาบตรงนี้เน้นะลักษณะว่าพระทิ่สูตรนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้คำว่าโกงเนี่ยนี้หมายถึงลวงโลกนะหมายถึงทําตัวลวงโลกว่า ตัวเองไม่ได้มีคุณธรรมนังกล่าวไปแต่ว่าโชว์ตรงนั้น่ะให้คนนับถือจะได้ถวายปัจจัยสี่เนี่ยนะไอะ้อย่างเงี้เขาเรียกว่าการโก ง, งเป็นความโคตรโกงชนิดหนึ่ ง, างการล่อลวงก็คือไปยกยอไปชมเขาอนะญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลา ย, ยานะก็ว่าไปเนี่ยนะชมเขาสักพักเดี๋ยวก็ถวายเองะนะตลบตะแลงก็พูดมีชั้นเชิงกว่าจนกว่าเขาจะให้อย่างเงี้ยนะพวกเนี้ย ตอนนี้เป็นมิจฉาอาชีพของพระภิกษุเนี่ยนะถือถ้าดำรงอยู่ในมิจฉาอาชีพอย่างนี้แล้วก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วมันจะต้องแยกแยะให้เป็นว่าปัจจัยสี่เหล่านี้ได้มาอย่างไรเนี่ยนะได้มาโดยสุจริตธรรมหรือไม่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างที่เรียกว่าขอผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาก็ไม่ได้เนี่ยจะต้องจะต้องรู้จักจะต้องเป็นว่าอะไรเป็นอะไรอะไรสมควรอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยจะต้องรู้อะถ้าแยกแยะไม่เป็นเนี่ย ก็อย่างว่านะ ป, าปัจจัยสีเนี่ยเป็นอารมณะของศีลถ้ารู้จกักศีลดีก็เขาอยู่ที่ปัจจัยสีนะจะทุศีลก็อยู่ที่ปัจจัยสีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นชนะัยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัมมาอาชีวะนะเรากล่าวไว้เป็นสองอย่างคือ สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มากนี่อย่างหนึ่งก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิช้าอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันถ้าเป็นฆราวาสก็คืออาชีพที่พ้นจากอากุศลกรรมบทเจข้อนะถ้าเป็นพระภิกษุก็เนี่ยเว้นจากการโกงการยกยลอล่อรวงการตลบตะแรงอุบายโกงเอาลาบต่อลาบเป็นต้นส่วนสัมมาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคก็คือ ความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของพิสูจนผู้มีจิตไกลาจากค่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคโยนี่แหลคือสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคพิสูุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นละ มีสติละมิชฉาอาชีวะมีสติบรร ล, ลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติัผู้ที่มีสติมีความเพียรก็คือสา ม, มารถที่จะละมิชฉาชีพดำรงอยู่ในสัมมาชีพนี่นะธรรมสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้น นี่เราก็พูดมาห้าห้ามักตรงตรงเลยนะหัวข้อก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะส่วนสัมมาวายามะเขาในฐานะเป็นบริวารห้อมล้อมตามนั้นไปหมดสัมมาสติก็ไปห้อมล้อมเขาไปหมดก็เลยไม่ต้องเอามาพูดอีกส่วนสัมมาสมาธิก็คือเป็นประธานอยู่แล้วเป็นหัวหน้านะนี้เราพูดแต่บริขารก็พอแต่ตัวสมาธิที่ถูกต้องต้องมีกุโซลธรรมเหล่านี้เป็น บริวารเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะดูก่อนีิสู่ทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะสัมมาทิฏฐิตัวนี้หมายถึงมัคสัมมาทิฏฐิกับผลสัมมาทิฏฐินะอันนี้เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินะผู้มีสัมมาทิฏฐิในมัค ก็จะมีสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะในมรรคแต่พอเหมาะถ้ามีสัมมาทิฐิที่เป็นผลสัมมาสังกปะก็มีแต่พอเหมาะผู้มีสัมมาสังกปะก็มีสัมมาวาจาพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาก็มีสัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายมะสัมมาสติก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาญาณะก็มีแต่พอเหมาะสัมมาวายะสัมมาญาณะหมายถึงปัจจเวกมรกปัจเวกผลตัวนั้นเป็นปัจจเวกขณะสัมมาทิธินะทวนนะสัมมาทิฏิข้างบนตัวนั้นเนี่ยเป็นมร์สัมมาทิฏิผลสัมมาทิฏิสัมมาญาณะตรงนี้หมายถึงปัจจเวกขณะสัมมาทิธิ ผู้มีสัมมาญาณนะก็มีสัมมาวิมุตติแต่พอเหมาะสัมมาวิมุตติก็ปัจเจกเหมือนกันพิจารณามักพิจารณาผลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยประการนี่แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8นะประกอบด้วยองค์8ถ้าพระเสขนะส่วนเป็นผ้าหันก็ประกอบไปด้วยองค์10องค์มร์องค์ทั้งหมดเนี่ยสิบเนี่ยบริบูรณ์ในพระ้าหาันถ้าพระเสขะก็มีองแปดเนี่ยนะองค์8บริบูรณ์ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือดูก่อนพิสูุทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฐิได้ทั้งอากุศลรธรรมอลามกเป็นอนเอกนกบรรดามีมิจฉาทิฐินั้นเป็นปัจจัยก็เป็นผู้มีก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฐิสลัดได้ และกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิธฐิเป็นปัจจัยเนี่ยนะที่คุณ ว, วิลาวันถามว่าทำไมจึงเรียกมหาจัตตารีสกะอ่นะถ้าอ่านข้อสองร้อยแปดสิบเข้าใจก็นั่นแหละคำตอบอ๋อคนละเรื่องกันเชื่อเออ่า น, นีล ถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยอะไรอนเนกเนี่ยนะแปลว่าณนะเอกะณแนะปลว่าไม่ใช่ในชะ่เอกะก็คือหนึ่งอนเนกก็คือไม่ใช่หนึ่งมากอันอากุศลธรรมก็เช่นอากุศลกรรมบท10อันนะีเป็นต้นเนี่ยนะ ใครเรียนคุตตะวิพัง์มาจะรู้ว่ากิเลสสารพัด ช, ชนิดเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นหัวหน้าในถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยนึงมิจฉาทิฏฐิถูกฆ่าและก็ฆ่าอะไรฆ่ากุศลธรรมที่เป็นบริวารทีนี้สัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเขาทำให้อะไรเจริญ ให้กุศลธรรมเป็นอันมากเจริญอย่างเดียวเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยฉนั้นแยกนะหนึ่งสองหนึ่งสองมาดูว่าอย่างเช่นเนี่ยสัมมาทิฏฐินี่เป็นข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐินะข้อสองอะไร สัมมาสังกัปปะข้อ 3, สสัมมาวาจาข้อ 4, สสัมมากรมันตะข้อหสัมมาอาชีวะข้อ6สัมมาวายามะข้อ7สัมมาสติข้อ8สัมมาสมาธิข้อ9สัมมาญาณนะข้อ10สัมมาวิมุตติเนี่ยนะ ปัญท้า1สัมมาทิฏฐิถ้าคูณหลักการ4อย่างนี้มันจะเป็นเท่าไหร่อันนนะสัมมาทิฏฐิมี4ใช่ไหมสัมมาสังกปะ4เท่ากับ4ี่คูณสิเท่ากับ40ฝ่ายกุศลฝ่ายเอ่อเข้าไปฝ่ายอากุศลฝ่ายอากุศลตรงๆเนี่ยสิบบริวารอีก บอ่ะนะบริวาร10ฝ่ายกุศลก็10 บ, บริวารอีก10ก็เรียกเรียกว่าจัตตารีสะเนี่ยนะหรือจัตตารีสะกะแปลว่า40จัตตารีสะกะเนี่ยแปลว่า40คือฝ่อายนอะไรเนี่ยนะดูตรงนี้นะว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยประการชนีแลจึงเป็นธรรมะฝ่ายกุศล20ฝ่ายอากุศล20ชื่อธรรมะบายายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้นั่นเองก็เรียกว่ามหาจัตตารีสกะก็เป็นการประกาศหัวข้อธรรมใหญ่อยู่40หัวข้อ สี่สหัวข้อก็คือมิจฉามิจฉาทิฏฐิไปจนถึงมิจฉาอะไรมิจฉาวิมุตต์ก็เป็น10ข้อแล้วใช่ไหมอกุศลที่เป็นบริวารของมิจฉาทิฏฐิไปจนถึงมิจฉาวิมุตต์นี้เขาเรียกว่าฝ่ายอากุศล20และก็ฝ่ายกุศลยีเหมือนกันคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวิมุตต์และก็บริวารอีกอ น, นะยา กุศล ส, สิบบริวารอีกสิบก็รวมเป็นสี่สิบเพราะเนี่ยที่เรียกว่าใครๆปฏิวัติไม่ได้ใครๆปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครสอนได้ด้วยเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาี่ยนะ ดูการพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์ผู้ใดผู้หนึ่งสําคัญที่จะติเตียนคัดค้านบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์นั้นย่อมถึงหน้าติหน้าตําหนิหนนในปัจจุบันถ้าใครติเตียนสัมมาทิฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้มีทิฏฐิผิด อันนะถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐินะแสดงว่าคนนั้นนับถือมิจฉาทิฐิบุคคลอยู่อนนอย่างแสดงอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าใครกล่าวตําหนิการเจริญสัมมาทิฐิหประการตามพระไตรปิฎกนะหนึ่ง ก, กรรมสกตาสัมมาทิฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฐิมรัสสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฐิปัจเจเวขณสาสัมมาทิฏฐินะถ้าใครปฏิเสธอย่างนี้ให้รู้ว่าคนนั้นนะเข้านับถือมิจฉาทิฏฐิอยู่ นนะอันนี้สามารถาหาข้อยุติได้ไม่ค่อยยากเลยนะอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาบอกเขาศึกษาธรรมะอยู่นะแต่ถ้าเราพูดตามพระไตรปิฎกแล้วเขาตำหนิอยู่นะ<ม>ให้รู้ว่าเขานับถืออาจารย์อื่นที่ไม่ทาสอนเ<ม>นี่ยนะอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะแยกยนะนะอย่างบุคคลในยุคนี้เป็นเลย ถ้าใครติเตียนสัมมาสังกปะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้มีสังมิจฉาสังกัปปะถ้าสมมติว่าเออเนี่ยเน่คำม้าสังกปะจําเป็นดีอภพยาปาท่สังกปะอวิหิงสาสังกปะแต่ถ้ายกย่องอย่างนี้แล้วถูกปฏิเสธกลับมานะก็แสดงว่าเขานับถือผู้มีมิจฉาสังกปะอยู่ถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจา ถ้าใครติเ kommt, ตียนสัมมากัมมันตะเ en, ขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมผู้มีมิจฉากัมมันตะถ้าใคร00 00ติเตียนสัมมาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมผู้มีมิจฉาชีวะถ้าใครติเตียนสัมมาวายมะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวายมะถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มี มิจฉาสติถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิถ้าใครติเตียนสัมมาญาณนะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญานะถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุติก็พวกความผิดทั้งสิประการเนี่ยนะใครที่มีรัฐที่ใดนะมันก็โดยมากมันก็ต้องมีอาจารย์ใช่ไหม ส่วนหญ่เป็สิทมีอาจารย์ทั้งนั้นนะนี้อาจารย์เนี่ยเป็นกลุ่มไหนแล้วก็พิจารณาเอากันแล้วกันว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็มิจฉาทาไมเป็นไปตามนี้ก็อ่านะเป็นสัมมาคือหมายความว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิสําคัญก็ต้องแยกให้เป็นว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปะมันเป็นอย่างไรอ่านะทีนี้แต่ถ้าอย่างของเราทั้งหลายก็เอาคําสอนมาว่าสัมมาทิฏฐิเป็นชนะัความรู้ในทุกเป็นต้น สัมมาสังกปะเป็นไงนะเนคขมะสังกปะเป็นต้นสัมมาวาจาก็กล่าวตามองค์มัชใช่ไหมถ้ากล่าวเช่นนี้แล้วมีผู้ฟังเขาปฏิเสธให้รู้เถอว่าเขานับถือบุคคลที่สอนตรงกันข้ามนี้อยู่เนี่ยนะก็เราก็ตอบได้เลยว่าเขาเป็นสิทธิ์มีเป็นสิทธ์ที่มีอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งพึงสําคัญที่จะติเตียนคัดค้าน ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเที่ยว น, นะถ้าใครคัดทานธรรมะดังกล่าวไปเนี่ยนะแสดงว่าโอ้โหเป็นคนที่น่าตำหนิเอามากๆเลยนะแต่ขนาดนั้นนะยังมีคนปฏิเสธอีกเอาสิดูความพิสูนทั้งหลายแม้พวกอัศอัศ พวกพัญยะชาวอกระชนบทซึ่งเป็นอาเหตุกะวาทะอาเหตุกะทิถินะอกิริยะวาทะคืออกิริยะทิฐินทิกะทิฐิก็ยังสําคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกดินทาถูกว่าร้ายแล้วก็กลัวการก่อความมาว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันไม่มีเลิกกั น, นะก็เลยไม่ค้านนะก็เลยเก็บเงียบๆไป ท่านก็บอกว่าแม้แต่พวกมิจฉาทิฏฐินะยังไม่ค้านเลยแต่สมัยนี้ค้านเนี่ยมันน่าแปลกใจมากพุทธบริษัทค้านกันเองเนี่ยนะสมัยโบราณก็บอกว่าไม่มีใครค้านพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้ค้านได้แต่มาดูพวกมิจฉาทิฏฐิสามข้อนะคืออเหตุกะทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิและนัตถิกะทิฏฐิสามข้อนี้คือพวกอเหติตกะทิฏฐิก็ปฏิเสธเหตุใช่ไหมอกิริยะทิฏฐิก็ปฏิเสธ การกระทำนากทิกะทิถีก็คือปฏิเสธทั้งเหตุปฏิเสธทั้งการกระทําอาเหตุุกะทิถีเนี่ยปฏิเสธกรรมอากิริยะทิถีปฏิเสธวิบากนากทิกะทิศปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากนี่นะผู้มีวาทะแน่นอนนะเรียกว่านิยต่มิจฉาทิถีนะก้าวลงแน่นอนหมายว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฐี ถามว่าก็การกําหนดแน่นอนแห่งทัศนะเหล่านี้มีได้อย่างไรหมายว่านิยตามิจฉาทิฐิอันนี้เนี่ยนะมันจะดิ่งลงยังไงตอบว่าก็บุคคลใดถือรัตที่เห็นตา น, นี้นั่งในที่พักกลางวันหรือที่พักกลางคืนเนี่ยนะสาธยาอยู่พิจารณาอยู่มิจฉาสติของบุคคลนั้นย่อมตั้งมั่นในอารมณ์นั้นว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเมื่อทําบาปบาปก็ไม่เป็นอันทำทานที่ให้แล้วไม่มีผลเมื่อตายแตกเมื่อกายแตกตายแล้วก็ศูนย์ จิตของผู้นั้นก็มีอารมณ์เป็นเอกขตาคิดอย่างนี้จนสงบดิ่งเลยนะชาวนะทั้งหลายย่อมเล่นไปชาวนะที่หนึ่งยังพอแก้ไขได้อันนั้นหนึ่งวิธีแรกะนะแก้ไขได้ชาวนะที่สองเป็นต้นก็ยังพอแก้ไขได้แต่ชาวนะที่เจ็ดถ้าคิดอย่างนี้เจ็ชาวนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงแก้ไขไม่ได้เป็นผู้มีปกติไม่หวนกลับเช่นกับพิสูจนชื่อว่าอริ t ธ a กับสัมมาเนนชื่อกันตกะ ในพระไตรปิฎกมีอยู่สองท่านที่ทในพระวินัยปิฎกนะที่ให้สวดยกวัดเลยว่าพระพิสุตต้องไม่ไปฉันร่วมกับพระพิสุรูปนี้แล้วก็ไม่ต้องให้สัมมาเนรรูปนี้มาอุปถัคือพระอริธะผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนะกับสัมมาเนนกันตกะพระอริตธะนี้ก็อยู่ในในเรื่องนั่นในในสูตรว่าด้วยอลักคัตทูปะมะสูตรเนี่ยนะมีข้อความกล่าวถึงพระพระอริธะ แล้วก็มีอีกครึ่งคือในพระวินัยในบรรดาทัศนะเหล่านั้นบางคนก้าลงสู่ทัศนะเดียวบางคนทั้งสองทัศนะบางคนาสามทัศนะจึงเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลโดยแท้อันนี้ห้ามทางไปสวรรค์ด้วยนะเพราะว่าพวกนี้ไม่ทําบุญอยู่แล้วห้ามสวรรค์และก็ห้ามนิพพานเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะไปสู่สวรรค์ในลําดับถัดจากชาตินี้หมายความว่าถ้าจุติแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์แน่นอนแต่ชาติต่อไปไม่แน่นะ แต่พูดถึงว่าชาติหน้านะชาติที่สองไม่ได้ไปสวรรค์แต่ว่าไปนรกแล้วก็พ้นจากนร ก, กอาจจะไปสวรรค์ได้แต่อย่างว่านะอย่าลืมว่านรกสวรรค์ตามพุทศาสนานี่ถือว่าเป็นของชั่วคราวใช่ไหมเป็นของชั่วคราวจะป่วยเก่าแม้แต่สวรรค์นะชาติหน้าสวรรค์ยังไปไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงไปสู่พระนิพพานสัตว์นี้ชื่อว่าเป็นหลักตอแห่งวัตะก็นิยต่ามิจฉาทิฏฐิมันเป็นกิเลสใช่ไหมเมื่อดิ่งในกิเลสเต็มที่กรรมก็ ก็มีกําลังก็วิบากมันก็เลยเรียกว่าพวกเฝ้าแผ่นดินเฝ้ามหาพุทธเนี่ยนะไม่ยอมทิ้งมหาพุทธขอรับใช้มหาพุทธตลอดไปนะขอเป็นทา่าผู้ซื่อสัตย์รับใช้มหาพุทธตลอดไปว่างั้นก็เลยเฝ้ามหาพุทธนั่นแหละโดยมากสัตว์เห็นตา น, นี้ย่อมไม่มีการออกจากภพโดยมากเลยเนี่ยนะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ฐานนะพวกนี้ก็เฝ้าขันห้าอย่างเดียว พวกวั ส, สะกับพวกพัญญะเนี่ยในสมัยพุทธกาลนี่เข้าเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่น้อยใช่ไหมก็คือเจริญมรรคาเจริญหนทางเพื่อเฝ้า น, น, นัคือข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนี้นะถ้าจับให้ดีๆสังเกตง่ายๆว่าวถ้าปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาถูกออกจากขันท่าได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไม่เป็นไปตามพระพุทธศาสนานก็คือเฝ้าขันท่าต่อไปทาอะไรก็ได้ยังไงก็อยู่ในขันท่า ยังไงก็อยู่ในขันห้าจะรัดที่คิดทิฏฐิวิจิตพิสดารขนาดไหนก็เฝ้าขันห้าต่อไปก็มีอยู่เท่านี้เอ ง, องน่นะมันแต่ทีนี้การออกจากขันห้านี้พระพุทธศาสนาถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะการออกจากขันห้าเพราะว่าหนทางหรือมรรคคาที่จะออกจากขันห้าจะมีก็เฉพาะตอนที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าที่เหลือนะถ้าไม่มีผู้ศาสนาแล้วออกจากขันท่าได้ก็เป็นพระปัจเจกแต่ว่าไม่มากนะนันถ้าปฏิเสธคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิเสธมหาจัตตารีสกะอันนี้เข้าก็อะไรก็เฝ้าขันท่าก็ก็มีเท่านั้นนะแต่ขันท่าชนิดใดก็อีกเรื่องหนึ่งนะตามสมควรแก่เหตุคือกรรมนะสมควรแก่เวลานะั้นจนราน